จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยีเมีนาคงพุทธศักราช2554อเป็นวันพระวันธรรมัตรสนะวันฟังธรรมวันศึกษา พระทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความฉวาด ท, ที่จะยำตนให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นปลอดภัยมีแต่ความสุขและความเจริญเพราะความรู้ของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง กับชีวิตจิตใจของพวกเราส่วนความรู้ทางโลกนั้นส่วนใหญ่จะถูกต้องกับร่างกายของเราหรือกิเลสของเราความรู้ทางโลกจึงไม่สามารถที่จะช่วยเหลือจิตใ จ, จของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแขคล้าคลาดปลอดภัย จากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆได้ความรู้ทางโลกนั้นก็มีไว้เพื่อเป็นอาชีพเป็นเครื่องเลี้ยงชีพเพื่อที่เราจะได้มีปัจจัยสี่ไว้ดูแลร่างกายให้อยู่อย่างปกติสุขแต่ถ้าเราไม่ฉลาดความรู้ทางโลกนี้ก็จะ เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาไปแล้วก็จะทำให้เรานั้นต้องว้าวุ่นกับการแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เกินความจำเป็นแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาแล้วก็ต้องวุ่นวายกับการเสียหกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่ตางๆไป นี่เป็นเพราะว่าไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นการมาวัดทุกวันพระนี้เป็นการมาเพื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นแล้วก็ปลาศจาก ความว้าวุ่นขุ่นมัวความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆความรู้ของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสงสอนให้รู้นั้นก็มีอยู่7ข้อด้วยกันคือหนึ่งให้รู้เหตุ 2. ให้รู้ผล 3. ให้รู้ตน 4. ให้รู้บุคคล 5. ให้รู้สังคม 6. ให้รู้กาละเทศะและเจ็ดให้รู้ประมาณนี่คือความรู้ที่จะสามารถปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับการดำรงชีพได้ถ้าเรารู้ความรู้ทั้งเจประการนี้แล้วสามารถปฏิบัติตามได้ ชีวิตของเราจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวความเสือ่อมความทุกข์ต่างๆจะไม่มีภายในใจของเราอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เองจนได้ตัดสรูเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาพวกเราก็จะสามารถ เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นกันได้ถ้าเราน้อมถ้าเราศึกษาความรู้ทั้ง7ประการนี้แล้วนำเอามาปฏิบัติในชีวิตของเราเราก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญข้อหนึ่งคือเหตุรู้เหตุและข้อสองคือรู้ผลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะว่าเหตุและผลนี่แหละเป็นเรื่องที่ทําให้เราสุขหรือทุกข์จเจริญหรือเสื่อมเหตุนี้คือที่มาส่วนผลก็ก็คือที่ไปเรามาได้อย่างไรเรามาเพราะเรามีเหตุทําให้เราพามาแล้วเราก็อยู่อย่างสุขหรือทุกข์อยู่อย่างจเจริญหรือเสื่อม อันนี้ก็เป็นที่ไปก็คือผลที่่จะจกเหตุเหตุนี้ก็คือการกระทาของเรานี้เองเช่นบุญบาปเป็นต้นถ้าเรามีบุญเป็นเหตุชีวิตของเราก็จะมีผลคือความสุขความเจริญถ้าเรามีบาปเป็นเหตุผลของชีวิตเราก็จะมีความทุกข์ความเสือ่อมความตกต่า พวกเราจึงมีความแตกต่างกันตามฐานะต่างๆมีฐานะต่างๆกันมีความรูม้ความฉลาดแตกต่างกันมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันมีสุขภาพแตกต่างกันมีอวัยวะสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์แตกต่างกันไปเหล่านี้เรียกว่าเป็นผล ส่วนเหตุนั้นก็คือบุญและบาปที่เราได้ทำมาในอดีตชาติและในปัจจุบันเหล่านี้เป็นเหตุคือบุญบาปนี้เป็นเหตุบุญบาปคืออะไรก็คือการคิดการพูดการกระทำทางกายนี้เองถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าบุญ ถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เรียกว่าบาปนะเมื่อคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วก็จะมีผลตามมาทันทีทั้งในจิตใจของเราและร่างกายของเราหรือส่วนอื่นที่เป็นของของเราก็จะถูกมีผลกระทบขึ้นมาภายนอกก็อาจจะช้าบ้างเร็วบ้าง แต่ภายในนี้จะเร็วจะทันทีคือภายในใจเรานี้จะมีผลทันทีเช่นเราคิดดีพูดดีทำดีใจของเราจะมีความสุขทันทีถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีใจของเราจะมีความทุกข์ทันทีมีความไม่สบายใจทันทีเช่นถ้าเราพูดปด ใจของเราก็จะมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลมีความหวาดระแวงกลัวว่าจะถูกจับได้ว่าเราพูดโกนี่คือความไม่สบายใจส่วนภายนอกคือผู้อื่นถ้าเขาทราบภายหลังว่าเราเป็นคนพูดโกถ้าเป็นคำพูดโกที่รุนแรงเราก็อาจจะถูกเขาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย หรือจับเข้าคุกเข้าตารางได้ถ้าเราไปเป็นพยานในศาลแล้วเราพูดเท็จอย่างนี้ถ้าศาลเขาจับได้ว่าเราพูดเท็จเราก็จะต้องถูกจับถูกดำเนินคดีไ ด, ดน้นี่คือผลที่เกิดขึ้นตามมาภายนอกดังนั้นถ้าเราอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสือ่อมเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็ละเว้นจากการพูดไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดี <c oughs> เช่นวันนี้เราก็มาสมาทานศีลห้ากันซึ่งเป็นการละเว้นจากการทำและพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีก็คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีและเสพสุรายาเมารวมไปถึงอบายามุขอื่นๆเช่นการเล่นการพรนันการเที่ยวกลางคืนความเกลียดคร้านหรือการครบคนชั่วเป็นนิดนี่คือเป็นการกระทำที่ไม่ดีที่จะนำ ความเสื่อมเสียมาให้กับเราส่วนความคิดที่ดีก็คือคิดที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำประโยชน์ให้แก่สังคมช่วยเหลือสังคมอย่างนี้เป็นเรื่องของการคิดดีเมื่อคิดแล้วเราก็ทำอย่างวันนี้เราคิดมาทำบุญให้ทานมาฟังเทศน์ฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลนี่เป็นความคิดที่ดีเมื่อคิดที่ดีแล้วเราก็พูดเราก็ชวนญาติสนิทมิตรหายให้มาทำบุญด้วยกันแล้วเราก็ออกเดินทางจากบ้านมาเตรียมข้าวเตรียมของเอาข้าวของต่างๆนำมาที่วัดแล้วก็นำเอามาถวายพระที่อยู่ในวัดเราก็จะมี ความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภูมิใจเพราะเป็นผลที่เกิดจากการการกระทำหรือเหตุที่ดีนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลที่ดีเราก็ต้องทำเหตุที่ดีถ้าเราไม่ต้องการรับผลที่ไม่ดีเราก็ต้องไม่ทำเหตุที่ไม่ดี ถ้าเราทําเหตุแล้วผลจะต้องตามมาเสมอไม่ช้าก็เร็วและไม่มีใครไปยับยัง้งหรือไปเปลี่ยนแปลงมันได้อย่างพวกเรายังไม่รู้จักเหตุกับผลดีพอควรถ้าเรายังต้องไปสะเดาะเคราะห์ไปแก้นู่นแก้นี่ ในยามที่ชีวิตของเราตกต่ำไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขมีแต่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจเราก็ไปหาหมอดูหมอดูก็บอกว่าให้ไปทำบุญบ้างให้ไปเปลี่ยนชื่อบ้างให้ไปเปลี่ยนทรงผมบ้างให้ไปทำอะไรต่างๆ เพื่อที่จะสะเดาะเคราะห์เพื่อที่จะทำให้เคราะก์กรรมที่เรากำลังประสบอยู่นี้มันหายไปมันจริงเราไปทำอะไรไม่ได้กับเคราะกรรมกับผลของบุญและของบาปเราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เวลาที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันก็มีวันเสื่อมหมดไปได้ เราควรที่จะน้อมจิตใจยอมรับผลของเหตุคือการกระทําของเราที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้แล้วอย่างน้อยที่สุดใจของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจได้ดีกว่าไปทําบุญสะอดอะเคราะห์ต่างๆซึ่งนั่นเป็นเหตุอันใหม่ ที่จะทำให้เกิดผลอันใหม่ที่จะตามมาต่อไปซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอาจจะต้องใช้เวลา น, านานกว่าจะเกิดขึ้นได้แล้วการพอเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ผลยังที่เราอยากได้คืออยากจะให้ข้อกรรมของเรานี้น้อยลงไปหมดไป พอไม่ได้เป็นดังที่เราปรารถนาเราก็เกิดความเสื่อมศรัทธาในการทำบุญก็ได้เพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าการทำบุญนี้จะสามารถแก้ข้อกลังที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้ความจริงการทำบุญนี้ก็มีคุณมีประโยชน์เพราะจะทำให้เรามีความสุขใจ และเราจะได้รับผลดีที่จะตามมาต่อไปในอนาคตส่วนข้อกรรมที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มันเป็นผลของการทำบาปของการทำไม่ดีในอดีตที่ผ่านมามันก็ส่งผลให้เกิดขึ้นมา <c oughs> เราก็ต้องใจเย็นๆทำใจให้นิ่งเฉยแล้วก็ยอมรับ ว่ามันเป็นผลที่เราทำขึ้นมาแต่มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดตอนนี้ขอให้เราพยายามทำความดีให้มากคิดดีพูดดีทำดีไปเรื่อยๆแล้วต่อไปพอข้อกรรมอ น, นี้มันหมดไปผลที่ดีที่เราได้ทำไว้ในวันนี้ก็จะตามมาในวันต่อไปอย่างแน่นอน ให้เราคิดอย่างนี้เราจะได้ไม่มีความท้อแท้ต่อการคิดดีพูดดีทำดีต่อการไม่คิดไม่ดีไม่ไม่คิดไม่พูดไม่ดีไม่ทำไม่ดีถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเราก็จะมีแต่ผลดีๆรอเราอยู่ส่วนผลที่ไม่ดีที่ยังอาจจะตามมาก็อาจจะมีบ้างเป็นธรรมดา เาในอดีตเราก็คงได้ทำทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีมามากพอสมควรแต่ขอให้เราเชื่อในหลักของเหตุและผลนี่คือกฎแห่งกรรมก็คือกฎของเหตุและผลนั่นเองกรรมก็คือการกระทาผลก็คือวิบากที่ตามมาถ้าทำบุญก็ได้ผลดีได้วิบากดีถ้าทาบา ก็ได้ผลไม่ดีได้วิบากไม่ดีชีวิตของเราจึงขึ้นๆลงๆเพราะว่าเราทำทั้งดีและทำไม่ดีสลับกันไปเนื่องจากเราไม่มีสติที่สามารถที่จะควบคุมบังคับใจของเราให้ทำแต่ความดีได้ตลอดเวลาให้คิดดีได้ตลอดเวลาพอเราเผอสติ พอเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเราก็จะคิดร้าย ท, ทันทีแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมคอยดูแลความคิดของเราอยู่อย่างสม่ำเสมอพอเกิดความคิดที่ไม่ดีเราก็จะระ ง, งับได้ ท, ทันทีพอระ ง, งับได้แล้วเราก็จะไม่ได้ไปเราก็ไม่ต้องไปพูดไม่ดีทำไม่ดีผลคือวิบากที่ไม่ดี ก็จะไม่เกิดต่างมาถ้าเรามีสติเราก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังคิดอย่างไรคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลเราก็ระงับถ้าเป็นกุศลเราก็ปล่อยให้ผ่านได้ให้ออกไปทางวาจาออกไปทางกายได้เช่นเราคิดมาทําบุญวันนี้ เราก็เปิดไฟเขียวให้ไปได้เลยวันนี้จะมาวัดมาทําบุญมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลมาเลยเปิดไฟเขียวไปเลยถ้าคิดว่าวันนี้จะไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวไปซื้อข้าวของที่ของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเปิดไฟแดงไว้เลยบอกอย่าไปเพราะนี่เป็นการคิดที่ไม่ดีว่ามันจะทํา นำผลที่ไม่ดีตามมาถึงแม้จะมีผลดีบ้างก็เพียงชั่วขณะที่เราได้ทําในสิ่งที่เราอยากได้ทําเช่นอยากจะดื่มสุราเราก็ได้ดื่มแต่พอเราดื่มแล้ว เ, เกิดอาการมุญเมาขึ้นมาเราก็จะขาดสติไม่สามารถควบคุมการกระทําและการพูดของเราได้เราก็อาจจะไปพูดไปทําในสิ่งที่เกิดความเสียหาย ให้แก่ผู้อื่นน่ากลับตัวเราได้แต่ถ้าเรามีสติรู้ว่าการกระทำที่เราจะไปทำนี้มันไม่ดีเราก็ัะ ง, งับเสียผลเสียต่างๆก็จะไม่ตามมานี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลขอให้เราพยายามเจริญสติให้มาก คอยดูกายวาจาใจของเราว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญหรือกำลังทำในสิ่งที่เป็นอกุศลหรือเป็นบาปถ้ารู้ว่าเป็นอกุศลหรือเป็นบาปเราก็ต้องระงับทันทีหยุดทันทีอย่าไปอย่าไปกล้ากับการทำบาป สอนให้เรามีฮิริโอตปะคือมีความกลัวมีความอายในการกระทำบาปเพราะคนที่ทำบาปนี้ไม่สวยงามไม่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพเรื่อมใสและผลของบาปนี้มันก็ร้ายแรงมากทั้งในขณะที่อยู่ในชาตินี้ และหลังจากที่ตายไปแล้วมีผลตามมาทั้งสองส่วนชาติ น, นี้ก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปไปติดตารางในในนรกต่อ<ม>เพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเป็นอย่างนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาสอนเรื่องกฎแห่งกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม กฎแห่งกรรมก็ยังเป็นกฎแห่งกรรมอยู่อย่างนั้นผู้ที่ทำดีก็จะได้รับผลดีทำไม่ดีก็จะรับผลไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามทำดีอย่าไปทำบาปแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความล่มเย็นเป็นสุดต่าส จ, จากปัญหาป่าศจากเรื่องราว ความเสียหายต่างๆนี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลส่วนข้อที่สามท่านสอนให้เรารู้ตนการรู้ตนก็คือให้รู้จักตัวเรามนุษย์เราทุกคนนี้มีความแตกต่างกันทางเพศทางฐานะทางอะไรต่างๆเราต้องรู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไรเพราะแต่ละคนจะต้อง แต่ละฐานะแต่ละเพศนั้นมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเป็นหญิงเป็นชายก็แต่งกายก็ไม่เหมือนกันแนละ้วทำตัวก็ไม่เหมือนกันเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็มีความแตกต่างกันเป็นคารวาดเป็นนักบวชก็มีความแตกต่างกันเราต้องปฏิบัติตัวของเราให้เหมาะสม กับฐานะของเราถ้าเราปฏิบัติไม่เหมาะสมแล้วเราก็จะกลายเป็นคนเพี้ยนไปเรียกว่าเป็นคนเสียสติจะไม่มีคนเขาอยากจะคบค้าสมาคมหรืออยากจะมีความเกี่ยวข้องด้วยเพราะพาะเป็นเหมือนคนไม่รู้เป็นคนเหมือนเป็นเหมือนคนเสียสตินั่นเอง ดังนั้นเราต้องดูดูเราว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเพราะฐานะของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนที่เราเป็นเด็กก็เป็นเราก็ต้องทําตัวอย่างนี้ต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เวลาคุณพ่อคุณแม่สอนให้ทําอะไรเราก็ต้องเชื่อฟังเวลาเราไปโรงเรียนเป็นนักเรียนเราก็ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์พอเราโตขึ้นแล้วเราไปทางาน เราเป็นที่พึ่งของเราเองแล้วเราก็ต้องทำตัวแบบน่งเมื่อก่อนเราเคยขอเงินทองของพ่อของแม่มาตอนนี้เราหาเงินหาทองของเราเองได้แล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องให้เงินพ่อให้เงินแม่เราต่อไปเพราะเราต้องรู้จักมีความกตัญญูกตวเวทีเราอย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวความคิดอย่าง เอาแต่ได้อย่างเดียวนี้เรียกว่าเป็นกิเลสตัณหาเป็นความโลภจะไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีมีความสุขแต่คนที่รู้จักทดแทนบุญคุณ ผ, ผู้อื่นนี้เป็นคนใจบุญเป็นคนที่จะมีความสุขและจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีคนเขาเคารพนับถือดังนั้นเราต้องรู้จักฐานะของเรารู้จักตัวของเรา ว่าเรากำลังเป็นอะไรเราเป็นโสดหรือเราเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่ตามคนตา่างต้องมีหน้าที่ตามฐานะของตนต้องควรพยายามทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุดนี่คือเรื่องของการรู้จักตน ส่วนรู้จักบุคคลก็หมายถึงรู้จักผู้อื่นนั่นเองรู้จักคนอื่นคนอื่นเขาก็มีฐานะต่างๆกันไปบางคนเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เราบางคนก็เป็นพี่เป็นน้องเราบางคนก็เป็นเพื่อนเราบางคนก็เป็นเจ้านายเราบางคนก็เป็นลูกน้องเราการปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆก็แตกต่างกันไป ฉันบุคคลที่สูงกว่าเราเราก็ต้องให้ความเคารพบุคคลที่มีบุญคุณกับเราเราก็ต้องมีความกระตันยูกตะเวทเีบุคคลที่ต่ำกว่าเราเราก็ต้องให้ความเมตตากราุณาเอ็นดูสงสารถ้าเขาทุกข์ยากลาบากกว่าเราเราก็ควรที่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ช่วยเหลือกันไปตามฐานะของเรา ถ้าเรารู้จักบุคคลต่างๆแล้วเราปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่ถ้าเราปฏิบัติกับบุคคลที่ไม่เหมาะไม่ควรก็จะเกิดความเสียหายเช่นถ้าเราไปด่าบิดามารดาไปทำร้ายบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นบาปมากกว่าที่เราไปด่าผู้อื่น เราไปด่าลูกเราด้อาจจะไม่บาปเลยก็ได้ถ้าเราด่าด้วยความเมตตาด่าด้วยเหตุด้วยผลคือสั่งสอนเขาให้รู้จักผิดถูกดีชัว่วแต่ถ้าเราไปสั่งสอนบิดามารดาหรือไปด่าบิดามารดาด้วยความโกรธอย่างนี้ก็จะเป็นบาปกรรมเราต้องรู้จักว่าเราควรปฏิบัติกับบุคคลต่างๆอย่างไร เราก็ต้องกลับมาที่สตินี่แหละเราก็ต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่กับใคร <c oughs> กำลังทำอะไรกับใคร <c oughs> เราควรจะทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมนี่คือเรื่องของการรู้บุคคลส่วนการรู้สังคมก็คือเราต้องรู้กฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่ว่าสังคมเขามี ประเพณีอย่างไรทำอะไรอย่างไรคนไทยเราเวลาเจอกันเราก็จะยกหมอว่าเวลาเราจากกันเราก็ยกหมูว่าแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศบางแห่งเขาก็ก้มศรีรษะให้กันบางแห่งเขาก็จับมือบางแห่งเขาก็กอดกันจูบกันอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของประเพณีของแต่ละสังคมซึ่ง บางครั้งเมื่อเราไปอยู่ในสังคมเขาแล้วเราก็ต้องเคารพในสังคมของเขาถ้ามันไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เกิดความเสียหายเราก็ควรที่จะทำตามจะดีกว่าเพราะถ้าเราไม่ทำตามนี่อาจจะเกิดความเสียหายกับตัวเราเองเพราะหนึ่งเราจะไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมนั้นเราก็จะกลายเป็นคนแปลก ของสังคมไปได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างยากลําบากกับสังคมนั้นดังนั้นไม่ว่าเราจะไปเข้าสังคมใดเราก็ต้องศึกษาประเพณีของสังคมนั้นๆสังคมแม้อยู่ในประเทศเดียวกันก็มีสังคมเล็กๆที่ต่างกันไปสังคมในครอบครัวสังคมในที่ทำงานสังคมในวัดในสถานที่ต่างๆ ก็มีสังคมที่ต่างกันไปเมื่อเราเข้าไปในสู่สถานที่นั้นสู่สังคมนั้นเราก็ควรที่จะศึกษาให้ดีว่าควรจะทำอย่างไรนี่คือการรู้จักสังคมถ้าเราทำถูกต้องแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาตามมาส่วนข้อต่อไปก็คือการให้รู้จักกาละเทศะก็ให้รู้จักการเวลาลนสถานที่ เวลาหนึ่งในสถานที่หนึ่งนี้มันจะมีความแตกต่างกับอีกเวลาหนึ่งกับในอีกในสถานที่หนึ่งเช่นเวลาเรามาวัดนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งเวลาหนึ่งเวลาเราไปซื้อข้าวของตามห้างสรปปรพสินค้านั่นก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งเวลาอีกแห่งหนึ่งเวลาเราไปงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือเราไปงานศข นี่มันก็เป็นสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันไปซึ่งมีการกระทําที่แตกต่างกันไปเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะว่ารู้ว่าเราควรจะทําอย่างไรควรจะแต่งกายอย่างไรบางสถานที่ไปแล้วเราก็ต้องอยู่ในความเงียบสงบบางสถานที่ไปแล้วเราก็ต้องกระโดดโลดเต้นเช่นถ้าเราก็ไปใน ในบาในผับอย่างนี้ถ้าเราไปนั่งสมาธิก็คงจะไม่เหมาะถ้าเราเพราะคนก็จะมีแต่การกระโดดโลดเต้นกันส่งเสียงโวยวายกันไปถ้าเรามาวัดเรามากระโดดโลดเต้นส่งเสียงโวยวายมันก็ไม่เหมาะอีกเหมือนกันเราต้องอยู่ในความสงบและต้องรู้ว่าเวลานี้กําลังทําอะไรกันอยู่เช่นเวลาฟังเทศฟังธรรม เราก็ควรที่จะฟังเทศไปถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ถวายอาหารข้าวของต่างๆเพราะเรามาสายเราก็ควรจะรอให้การเทศนี้เสร็จไปก่อนให้พิธีกรรมเสร็จไปเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยนำเอาเข้าวของต่างๆมาถวายที่หลังต่อไปดีกว่าที่จะมาถวายตอนที่กำลังฟังเทศฟังธรรม เพราะจะรบกวนผู้ที่กำลังเทศและผู้ที่กำลังฟังทำให้ไม่ไม่สามารถที่จะฟังแล้วได้ไประโยชน์นี่คือเรื่องของการรู้จักการละเทสะเราไปในสถานที่ไหนเวลาใดขอให้เราสังเกตดูว่าเราควรที่จะทำตัวอย่างไรประการสุดท้ายคือรู้จักประมาณ ก็คือรู้จักความพอดีนั่นเองคือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปเอาพอดีเหมือนเสื้อผ้าเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่พอดีใหญ่เกินไปก็หลวม เ, เล็กเกินไปก็ขับรองเท้าก็เช่นเดียวกันการรับประทานอาหารการบริโภคปัจจัยสี่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องรู้จักประมาณ เระประทานอาหารมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีเสื้อผ้าใส่มากเกินไปก็ไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีบ้านมากเกินไปก็ไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมียามากเกินไปก็ไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีเงินทองมากเกินไปก็ไม่ดีมีน้อยเกินไปก็ไม่ดี ต้องมีแบบพอดีคือพอต่อความต้องการพอต่อความจําเป็นมีเงินมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะกดดันจิตใจให้มีแต่ความทุกข์ความกังวลความหวงแหนแต่ถ้ามีพอดีเราก็ไม่ต้องกังวลถ้ามีมากเกินไปก็ต้องทำให้มันพอดีด้วยการเอาไปทำบุญ เอาไปแจกใจ่ายให้แก่ผู้ถ้ามีไม่พอก็ต้องหามาใหม่ก็ต้องหามาด้วยวิธีที่สุดจริญอย่าไปหามาด้วยวิธีที่ทุจริตเพราะจะไม่คุ้มค่ากันเพราะจะเกิดความเสียหายตามมานี่คือเรื่องของการรู้จักประมาณไม่ว่าเราจะทำอะไรขอให้เราเดินทางสายกลาง คือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต้องปฏิบัติพอประมาณแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนกับการขึงสายผินถ้าขึงมันตึงเกินไปมันก็ขาดถ้าขึงแมันหย่อนเกินไป ก็จะดิดไม่ได้จะไม่เป็นเสียงเสียงจะไม่เพราะแต่ถ้าขึงมันพอดีตามของตามตามความพอดีของมันก็จะได้เสียงที่ดีการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเคยปฏิบัติแบบสุดตรงคืออดพระกายาอาหารถึง49กวันก็ทรงเห็นว่ามันไม่พอดีมันเกินไป แต่ถ้าถือศีลแปดนึง่งฉันมือเดียวอย่างนี้พอดีหรือจะผ่อนอาหารบ้างในบางเวลาบางครั้งเพื่อเป็นการเล่นความเพียนเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติเพราะเวลาที่ไม่ฉันอาหารหรือฉันน้อยนี้ความเกลียดคร้านมันจะน้อยไม่เหมือนกับเวลาที่ฉันมากๆเวลาฉันอิ่มมากๆแล้วหนังท้องมันจะตึงหนังตามันจะหยอ่อน แทนที่จะนั่งสมาธิเดินจมกลมก็อยากจะนอนอย่างเดียวดังนั้นการปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักประมาณเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของความรู้ในทางพระพุทธศาสนาที่จะยังประโยชน์สุขให้แก่ชีวิตของเราที่จะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ทำทาลายไม่ให้ชีวิตของเราตกต่า มีแต่จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินไปยินขอฝากเรื่องของการมาศึกษาวิชาความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั้งเจ็ดประการนีคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้รู้กาลเทศะ และรู้ประมาณให้ท่านได้นำเอาไปพิณิพจณ า, าและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนนาฏัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย